คงรู้จักแล้วก็เคยเห็นเต่าทองนะเต่าทองนี่มันเป็นแมลงที่ไม่ค่อยมีพิมพัยพรสำหรับคนเราเท่าไหร่แล้วก็สีก็สวยด้วยแต่เคยสงสัยไม่ว่าทาไมเต่าทองเนี่ยมันมีสีสวยสีสดใสแต่ว่ามันไม่ค่อยนะโดนพวกนกเนี่ยมาจิกกินเท่าไหร่ ปฎิธรรมชาติของมแมลงเนตัวเล็กๆเนี่ยมันมักจะชอบพรางตัวนะไม่ให้ไม่ให้เห็นเด่นชัดนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยผู้ล่าเนี่ยก็จะเห็นมันชัดเจนแล้วก็กินมันเป็นอาหารแต่ว่าต่อทองเนี่ยไม่มีพฤติกรรมแบบนี้นะมันไม่มีนิสัยที่จะพรางตัวเลยสีก็สดใสนกนี่มองเห็นแต่ไกลนกที่มันชอบกิ น, มนแมลงนะ แต่ว่าที่มันมีสีสดใสได้เนี่ยเพราะว่ามันรู้ว่านกเนี่ยกินมันไม่ได้ที่กินมันไม่ได้เพราะว่ามันมีพิษนะเวลานกจะมากินเนี่ยมันก็จะคายพิษพอคายพิษออกมานกก็ต้องคายตัวมันทิ้งไปนกเลยก็เลยรู้ดีว่าไอ้สีสดใสตัวเล็กๆ เ, เ, เนี่ยนะอันตรายทั้ในแง่หนึ่งเต่าท้องก็เป็นมแมลงที่ดุนะ แต่ว่ามันไปพาดท่าเสียทีมแมลงที่เล็กกว่ามันอีกนะมันมีเวลา น, งนึงเรียกว่าแตนเบียนนะแตนเบียน แ, แตนเบียนเนี่ยมันมีวิธีการนะที่จะใช้ประโยชน์จากเต่าทองมันจะไปเจาะนะพอตัวเต็มวัยเนี่ยมันจะไปเจาะอยู่ที่ตรงแถวท้องของเต่าทอง เจาะเพื่ออะไรนะเจาะเพื่อวางไข่และตัวอ่อนของแตนเบียเนี่ยพอมันก็ค่อยโตขึ้นแล้วก็เอามันก็กินอาหารในตัวเต่าทองนี่แหละมันก็คือปรสิตนะหรือพาราไซคล้ายๆกับพยาธินะในตัวเราแต่พยาธินี่มันกินอาหารในกระเพาะของเราเนี่ยในลำไส้ของเราเนี่ยมันก็กินนิดกินหน่อยนะแต่แตนเบียที่มันกินเยอะจงกระทั่งเรียกว่า ท้องของไเต่าทองนี่มันจะเรียกว่ากลวงก็ได้นะแต่ไม่ถึงกับตายพอพอเต่าพอตัวอ่อนเนี่ยมันโตมันก็เจาะนะออกมาจากหน้าท้องแล้วก็ทำรังไหมมันจะมีรังไหมเนี่ยอยู่ที่หน้าท้องมันซึ่งที่จริงก็อันตรายนะรังไหมเนี่ยมาอยู่ตรงหน้าท้องของเต่าทองเนี่ยแต่ว่าแตนเบียนี่มันไม่กลัวนะ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะไปบังคับหรือว่าส่งสัญญาณให้เต่าทองเนี่ยคอยปกป้องมันเวลามีแมลงจะมากินแตนเบียนที่อยู่ในหลังไมเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่กช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะแตนเบียนอะ่ะเพราะว่ามันอยู่ในหลังไม้เป็นเป็นตัวดักแด้แต่มันไม่กลัวเพราะว่าไอ้ตัวเต่าทองเนี่ยมันจะคอยปกป้องมันจะคอยขยับแข้งขยับขานะไม่ให้ ไม่ให้อะไรก็ตามมากินแตนเบียนได้ที่อยู่ในรังไหมหรือดักแด้เนี่ยก็กลายเป็นว่าเต่าทองเนี่ยกลายเป็นตัวปกป้องหรือเป็นองค์ครักษ์นะพิทักต์แตนเบียนเอาไว้ทั้งที่แตนเบียนเนี่ยมันก็ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรในในสภาพเช่นนั้นนะแต่ว่ามันสามารถที่จะสั่งสั่งการให้เต่าทองเนี่ยคอยมาเป็นองค์ครักษ์นะ พิทักษ์แตนเบียนจนกระทั่งแตนเบียนมันโตมันก็จะออกมาจากหลังใหม่ส่วนเต่าทองก็ค่อยๆตายนะในแง่นี้ในแตนเบียนมันฉลาดนะมันสามารถจะใช้เต่าทองเนี่ยนะเพื่อความเจริญเติบโตของมันและเพื่อปกป้องมันได้เยนี้เขาเพบว่ามันมีสัตว์นานาชนิดนะที่มันมีพฤติกรรมแปลกๆแล้วเขาก็ศึกษาพบว่าที่มันมีพฤติกรรมแปลกๆเพราะว่ามันมี พวกปรสิตนะปรสิตหรือพาลไซต์เนี่ยนะบางทีก็เป็นพวกคล้ายๆเชื้อโรคที่อยู่ในในในตัวอย่างเช่นหนูเนี่ยนะถ้าเกิดว่าปรสิตชนิดมันเข้าไปในเข้าไปในตัวนะมันจะไปมีผลบังคับสมองธรรมชาติงหนูเนี่ยมันกลัวแมว แต่ว่าพอปรสิตเนี่ยเข้าไปในสมองของหนูนะมันสั่งให้หนูเนี่ยเดินเข้าหาแมวไม่กลัวแมวนะเดินเข้าหาแมวแล้วให้แมวเนี่ยกินหนูเป็นอาหารเรียกว่าสั่งให้หนูเนี่ยฆ่าตัวตายนะเดินเข้าหาแมวพอแมวกินหนูนะไอ้ปรสิตเนี่ยมันก็ไปเติบโตในกระเพาะของของแมวแล้วพอแมวขี้ออกมาเนี่ยไอ้ปรสิตก็ตัวอ่อนก็ออกมาไข่ก็ออกมามาทางขี้เนี่ยแล้ว มันก็เข้าไปสู่ตัวหนูแล้วหนูก็จะมีพฤติกรรมเหมือนเดิมเอาเหมือนกับตัวอื่นๆนะคือไม่กลัวแมวนะไม่กลัวแมวเดินเข้าหาแมวแล้วก็แมวก็กินเป็นอาหารปลาบางชนิดก็เหมือนกันนะธรรมชาติปลานี่ก็กลัวกลัวนกนะเช่นนกกระยางเนี่ยแต่ถ้าปรสิตนะเข้าไปในตัวปลานะมันจะว่ายเข้าหานะมันจะว่ายเข้าหาเข้าหานกนะให้นกกิน แล้วปรสิตนั่นก็จะไปโตในกระเพาะนะของนกแล้วพอขี้ออกมาลงน้ํามันก็ติดมากับขี้ของนกนะแล้วก็เข้าสู่ตัวปลาวงจรมันก็จะครบสมบูรณ์อันนี้เพราะว่ามันมันมีพฤติกรรมแบบนี้กับสัตว์หลายชนิดมากไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือว่าสัตว์ที่เป็นปลาหรือว่ า, มาแมลงโชคดีนะสาหรับมนุษย์นะที่เราไม่พบว่ามันมี มันมีให้ปรสิตแบบนี้เนี่ยเข้ามาสู่ตัวมนุษย์ซึ่งถ้าเกิดมีก็คงจะน่ากลัวนะมนุษย์อาจจะไม่มีประชากรมากขนาด น, นี้ก็ได้สมมติว่ามันเข้าไปในสู่มันมีปรสิตบางอย่างเข้าไปในตัวคนแล้วก็ทำให้คนเนี่ยไม่กลัวสิงโตนะไม่กลัวเสือนะคนเนี่ยเดินเข้าหาเสือแล้วเข้าหาสิงโตเนี่ยก็คงจะมนุษย์เราคงจะไม่ได้แพ่พันกัน อันมากมายจนเต็มโลกขนาดนี้แต่ว่าเรามนุษย์เราโชคดีนะมันไม่มีปรสิตหรือว่าไอตัวอันตรายอย่างที่ว่าแต่ว่าเรามี เ, าเราเจอมีเราเจอภัยอีกแบบหนึ่งนะซึ่งบางทีอาจจะแรงกว่าอาจจะน่าโกลักว่าพวกปรสิตก็ได้นะมันไม่ไดม้มันไม่ได้มาส่งผลต่อสมองหรือร่างกายของเรานะเหมือนกับที่มันส่งผลต่อ ต่ทองหรือว่าตอนหนูนะแต่มันส่งผลต่อจิตใจของเรามันไม่ใช่ปรสิตนะแต่มันเป็นอารมณ์นะอารมณ์เวลาอารมณ์ใดเกิดขึ้นกับกับใจของเราเนี่ยนะถ้าใจของเราไม่มีการปกป้องที่ดีนะอารมณ์พวกนี้มันจะเข้าไปนะครอมงมจิตใจของเราเช่นความโกรธเนี่ยนะความโกรธความเศร้าความเกลียดเวลามัน เข้าไปในจิตใจของเรานะมันจะสั่งให้เราเนี่ยคอยปกป้องตัวมันนะเนี่ยสั่งให้เราคอยปกป้องความโกรธเนี่ยสั่งให้เราคอยปกป้องความเศร้านะลองสังเกตดูนะคนเราเวลาโกรธเนี่ยนะมันจะจะไม่ค่อยนะอยากจะทำอะไรก็ตามเพื่อจะทำให้ความโกรธที่เราเบาบางความโกรธมันจะทุเลาได้ดีเพราะอะไรก็เพราะการให้อภัย แต่คนเราเวลาโกรธเนี่ยนะนอกจากจะจมดิ่งอยู่ในความโกรธหรือว่าคอยสัรหาคิดอะไรเรื่องราวต่างๆเช่นขุดคุยเรื่องราวของคนนั้นคนนี้ที่เราโกรธเนี่ยเรื่องราวที่ไม่ดีซึ่งทำให้เราโกรธเขามากขึ้นเกียเขามากขึ้นแล้วเนี่ยนอกจากความกวนมันจะเติบโตขยายใหญ่นะครอบงาจิตใจรเรารุนแรงขึ้นเนี่ยมันก็จะสั่งให้ตัวเราเนี่ยนะทาตามอำนาจของมัน เช่นสั่งให้เราดา่าสั่งให้เราเต่อว่าสั่งให้เราทำร้ายนะนะความโกรธมันสั่งเราเหมือนกับไอ้แตนเบียนที่มันสั่งให้เต่าทองเนี่ยคอยนะปกป้องตัวมันความโกรธมันสั่งให้เราเนี่ยปกป้องตัวมันอย่างไรนะเช่เนเวลามีใครมาแนะนําว่าให้อภัยเขาเธอนะอย่าไปโกรธเ้าเลยความโกรธมันจะสั่งเราว่าอย่าให้อภัยนะ พอหลายพอท่าอาภัยแล้วเนี่ยความโกรธมันก็จะหมดพิษ ส, สงหรือว่าค่อยๆ เ, ยเสื่อมสลายหายไปความโกรธมันจะบอกเราว่าอย่าให้อาภายัยและถ้าใครมาแนะนำว่าให้เราให้อาภัยเนี่ยเราจะพลอยโกรธคนนั้ น, นคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ใกล้ตัวเราอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นคนรักเนยแต่ถ้ามาแนะนำว่าให้อาภัยก็ไปเถิดนะคน จะไปถือโทษโกรธเคืองเขาเลยเนี่ยนอกจากเราจะไม่ให้อภัยเขาด้วยนะเรายังให้เรายังโกรธคนที่แนะนำอย่างนี้กับเราด้วยลูกสาวเนี่ยนะมีคนหนึ่งพยายามแนะนำพยายามบอกแม่ว่าให้อภัยคนคนหนึ่งเถอะนะแม่นี่ก็เป็นคนดีเป็นคนที่มีเมตตาอบอ้อมอารีใจเย็นแต่ว่าจะผูกใจเจ็บอยู่กับคนค น, นึ่งนะเพราะว่าเป็นคนที่ในละคุณ นะแล้วก็เวลาแม่เนี่ยพูดหรือนึกถึงคนคนนี้เนี่ยนะจะโกรธมากเหมือนกับเปลี่ยนเป็นเป็นคนละคนเลยธรรมชาติความกลัวเป็นอย่างนี้นะคือมันเปลี่ยนนิสัยคนเราได้ลูกก็กลัวแม่เนี่ยนะจะจะจะป่วยนะเพราะความโกรธเพราะโกรธรุนแรงมากแล้วก็กลัวอย่างนะคือกลัวว่าเวลาแม่จะตายเนี่ยนะถ้าแม่ยังมีจุดจิตปลูกใจเจ็บพยาบาทเนี่ย ก็กลัวแม่จะตายไม่สงบลูกก็พยายามบอกแม่ว่าให้อภัยก็ไปเถอะนะคนนั้นน่ะอย่าไปสนใจเลยแม่นี่กลับโกรธลูกนะแล้วก็ต่อว่าลูกอย่างรุนแรงเหมือนกับว่าลูกเนี่ยกำลังมาช่วงชิงเอาของรักของห่วงไปจากแม่ลูกไม่ได้ทำเลยเลยนะแต่ว่าสําหรับแม่เนี่ยการที่ลูกมาแนะนําเนี่ยแม่ไม่พอใจ มืนก็ว่ากําลังเอาของรักของหวงของแม่ไปที่เความโกรธนี่มันไม่ใช่มันไม่น่าจะเป็นของรักของหวงใครเลยนะมันไม่สิ่งที่น่ายต้องกําจัดหรือคายออกไปได้ซ้ําเพราะมันเป็นขยะแะมันเป็นพิษต่อจิตใจแต่พอธรรมชาติความโกรธเนี่ยพอมันครอบงาจิตใจแล้วนะมันก็จะสั่งให้ให้ให้เราเนี่ยนะอยู่ในอํานาจของมันแล้วก็ปกป้องมันอันนี้รวมถึงอารมณ์อื่นด้วยนะ เช่นความเศร้าเนี่ยนะความเศร้าเวลาเราเศร้าเพราะสูญเสียคนรักนะเราจะเอาแต่เจ้าจุกนั่งจมอยู่กับความเศร้าเพื่อนมาชวนให้ไปเที่ยวเพื่อได้เปลี่ยนอารมณ์นะเพื่อได้ออกไปเจอแสงสีเจอผู้คนเจออะไรที่ทำให้คลายความเศร้านะความเศร้ามันจะไม่ยอมนะความเศร้ามันจะมันจะสั่งให้เราเนี่ยนะอยู่กับทีนะ่สั่งให้เราไม่ไป เพราะถ้าถ้าเราไปเนี่ยนะมันจะมีอํานาจต่อจิตใจเราน้อยลงมันจะสั่งให้เราเนี่ยนั่งเจ้าจุกนะคิดวกไปวนมาถึงคนที่จากไปถึงของที่หายไปเป็นต้นแล้วเวลาฟังเพลงนะเมีสั่งให้เราฟังเพลงเลยมันมันไม่เคยคิดอยากจะฟังเพลงสนุกสนานเลยนะเม่สั่งให้เราฟังเพลงเศร้านะเพื่อที่เราจะได้ตกอยู่ในํานาจความเศร้ามากขึ้น ตอนพิจารณาเนือคามอารมณ์พวกนี้นะมันมันมีพฤติกรรมนะไม่ต่างจากแตนเบียนนะที่ไปครอบงำนะจิตใจไปครอบงําร่างกายของไอ้เต่าทองเพียงแต่ว่าไอ้ความโกรธเนี่ยมันมันทำกับจิตใจของเราซึ่งก็อาจจะส่งผลเสียต่ตอร่างกายด้วยนะเช่นเจ็บป่วยความดันขึ้นนะหรือว่ากลายเป็นโรคต่างๆมากขึ้นอารมณ์เนี่ยนะพอมันเข้าไปในจิตใจเราแล้วเนี่ยนะ มันก็สามารถจะสั่งให้เราทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะรักษาตัวมันเอาไว้นะหรือเวลาคนเราเครียดเนี่ยคนเราเครียดเนี่ยเราจะมีพฤติหลายคนจะมีพฤติกรรมที่ทำให้ตัวเองเนี่ยจมปลักอยู่ในความเครียดมากขึ้นนะคล้ายๆกับไอตัวปรสิตที่มันสั่งให้หนูเนี่ยเข้าหาแมว ไอ้ความเครียดบางอย่างเนี่ยมันก็สั่งให้เราเนี่ยทําร้ายตัวเองนะมีพฤติกรรมทําร้ายตัวเองเช่นคนหลายคนพอเครียดนี่นะก็จะเข้าไปหาเหล้านะพอกินเหล้าเนี่ยนะมันก็ทําให้เครียดมากขึ้นไอ้ตอนกินอาจจะไม่เครียดนะแต่ว่าผลที่ตามมามันทําให้เครียดหนักขึ้นเพราะว่ามีเรื่องทะเลาะเบาแวงกับผู้คนตื่นสายไม่เป็นอันทํางานนะ บางทีถูกไล่ออกจากงานหรือว่ า, าใช้ใจ่ายนะไปกับเรื่องเหล้ามากขึ้นจนกระทั่งถ้าเป็นนี่เป็นสินผลก็คือเครียดหนักขึ้นกลุ้มหนักขึ้นแล้วก็เลยต้องกินเหล้ามากขึ้นนะเพื่อดับกลุ้มมันก็เป็นพฤติกรรมที่ทำร้ายตัวเองมากขึ้นทำให้จมอยู่ในวัฏจักรแห่งความเครียดความกลุ้มอกกลุ่มใจอันนี้เป็นเพราะความเครียดังสังนะ แล้วก็มันก็ยิ่งนะครองจิตครองใจเรามากขึ้นสุดท้ายบางทีนะกุ้มใจหนักเข้าเนี่ยฆ่าตัวตายเลยมีพฤติกรรมเปรียบกับการฆ่าตัวตายเหมือนกับพวกปลาที่มันเข้าหานกนะหรือหนูที่มันเข้าหาแมวแล้วลองดูนะว่าคนเราเนี่ยจะว่าไปเนี่ยเราถึงแม้เราจะไม่ มีอันตรายนะอย่างพวกปรสิตนะที่พูดมาแต่อันตรายที่เกิดกับใจของเราเนี่ยมันน่ากลัวกว่ามันไม่ใช่แค่อารมณ์เท่านั้นนะความคิดก็เหมือนกันนะความคิดถ้ามันคลองจิตคลองใจเรานะอ้วนมันทําให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนได้เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราถ้ามันไปยึดติดถ้าเรามันไปครอบงำจิตใจเรามากขึ้นเนี่ยใครที่คิดไม่เหมือนเรานี่หรือใครที่คิดต่างจากเราเนี่ยนะ ไอ้ความคิดในหัวเรามันจะสั่งเลยนะสั่งให้ไปว่าเขาความคิดในหัวเนี่ยมันจะไม่ชอบความคิดอื่นที่แตกต่างไปจากมันเออถ้าคิดเหมือนกันเนี่ยโอเคนะแต่ถ้าคิดไม่เหมือนกันเนี่ยไอ้ความคิดในหัวมันจะสั่งให้ว่าเขานะตาหนิตีเตียนเขาหรือถึงขั้นตัดพ่อตัดลูกตัดเพื่อนก็นกมีนะอันนี้เราก็คงได้เห็นอยู่บ่อยๆนะตัด ตัดญาติขาดมิตรหรือว่าตัดพ่อตัดลูกกันเพราะความคิดแตกต่างกันอันนี้ในเรื่องความคิดมันสั่งนะอาจจะเป็นความคิดทางการเมืองหรือรอุออดมการทางศาสนาก็ได้นะต่างศาสนาหรือบางทีในอเมริกานี่แค่แค่เชียร์พักการเมืองต่างกันระหว่างเดโมแครตกับรีพับลิกัน ก, นก็มีเรื่องได้เหมือนกันนะตัดขาดนะจากพ่อแม่ลูกนะ ถ้าความคิดนี่มันมันสามารถจะสั่งให้เราทําในสิ่งที่เป็นทั่วกับเราสิ่งที่เป็นผลเสียกับเราได้เพียงเพราะว่าคนอื่นคิดไม่เหมือนเราที่จริงไม่ต้องอะไรอื่นนะั้นนะความคิดธรรมดาธรรมดานี่เวลาเราอยู่ในที่ประชุมเนี่ยเรามีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่มีสตินะความคิดนี่มันจะมันจะสั่งเรามันจะพยายามกระตุ้นให้เราหาทางพูดให้ได้ออกมาให้ได้ คนหลายคนเนี่ยพอมีความคิดอยู่ในหัวเนี่ยถ้าไม่พูดออกมาในที่ประชุมนะมันมันเหมือนกับว่าจะอัดอั้นตันใจมากความคิดมันสั่งให้เราพูดนะแต่ว่าไม่มีโอกาสจะพูดเพราะว่าคนหนึ่งยังพูดอยู่นะเราจะงุดหนดรังคาญมากเลยนะมันอยากจะพูดออกมาให้ได้นะอันนี้เป็นธรรมชาติของความคิดที่มันพยายามที่จะหาทางแพร่านออกไปให้ได้เมือ่อคนเป็นบัตรนะพอเป็นบัตรเนี่ยนะ มันอยากจะไอนะเพื่อที่จะมันอยากจะไออยากจะจามเพื่อที่จะได้แพร่พันธุ์นะไวรัสหรือโรคหวัดให้กระจายไปกว้างขวางขึ้นหวัดมันสั่งนะมันสั่งให้เราจามมันสั่งให้เราไอเพื่อจะได้ระบาดไปได้ให้ไกลความเพี้ยงเป็นอย่างนั้นน่ะมีความเพี่อะไรเกิดขึ้นก็อยากจะพูดอยากจะเขียนอยากจะเผยแพร่นะอยากจะเอาขึ้นเฟซนะแล้วถ้ามันไม่มีโอกาสที่จะพูดไม่มีโอกาสที่จะ ประกาศออกไปเนี่ยมันจะหงุดหงิดรำคาญอัดอั้นตันใจมากอันนี้เป็นเป็นเพราะความคิดเนี่ยมันมันครองจิตครองใจเราทั้งหมดที่เป็นเพราะอะไรนะเพราะว่าใจเราเนี่ยนะมันไม่มีเครื่องปกป้องรักษาถ้าใจเราไม่มีเครื่องปกป้องรักษาเนี่ยอารมณ์ก็ดีไม่จะเป็นความโกรธความเศร้าความหรือแม้แต่ความคิดเนี่ยมันก็จะเข้ามา ครอบงำจิตใจแล้วก็ใช้ให้เราทำโน่นทํานี่ซึ่งก็ไม่ได้เป็นผลดีกับเราเลยนะทำให้เรามีศัตรูมากขึ้นหรือว่าทำให้เรามีพฤติกรรมที่อาจเป็นโทษกับตัวเองหรือว่าทําให้เราเจ็บป่วยมากขึ้นนะพอโกรธมากๆเขาเนี่ยความดันก็ขึ้นนะหรือว่าบางทีก็เส้นเลือดในสมองแตกก็เรียกว่าสมประสงค์ของมันนั่นเนี่ยเราต้องระมัด ร, ระวังนะเราอาจจะไม่ค่อยมองว่ามันคือปัญหาเท่าไหร่นะแต่เนี่ยคือภัย นะซึ่งเป็นอันตรายของคนสมัยนี้มากดังนั้นสิ่งจำเป็นที่เราควรจะมีนะคือการรักษาใจของเรานะไม่ให้อารมณ์หล่านี้เข้ามาครอบงำนะหรือไม่ให้อารมณ์นี้เข้ามาใช้เรานะเพื่อปกป้องตัวมันนะเป็นองครักษ์พิทักตัวมันหรือว่ามีพฤติกรรมที่เป็นโทษกับตัวเราเองจนงทั่งเหมือนกับว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะทางอ้อมแต่บางทีก็ฆ่าตัวตายจริงๆก็มีนะ เพราะว่าพอมันเครียดมากๆซึมเศร้ามากๆนะมันก็หลายคนก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะก็ฆ่าตัวตายคนเราทําอย่างนี้ได้ยังไงนะก็เพราะอาการที่ไม่มีสตินั่นแหละนะถ้ า, าว่าเราไม่มีสติรักษาใจเนี่ยใจมันก็อาจจะกลับมาเป็นโทษกับเราเองหรือที่พูดผู้ไอถูกก็คือว่าอารมณ์ต่างๆมันจะเข้ามาครอบงําอันนี้รวมถึงกิเลสชนิดอื่นเนี่ยนะเช่นอัตตาเนี่ยนะอัตตาเนี่ย พอพออัตตาเข้ามาคลองใจแล้วเนี่ยมันก็สั่งให้เราปกป้องอัตตาใครมาว่าเราเราก็ตอบโต้ด่ากลับไปนะใครคิดไม่เหมือนเรานะมันเหมือนกับว่ามากระแทกอัตตาของเราเราก็มองเ้าเป็นศัตรูภัยของคนเราสมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งนอกตัวเท่าไหร่สมัยก่อนภัยของคนเราเนี่ยมันอยู่นอกตัวเป็นส่วนใหญ่นะเช่น สิงสาราสัตว์นะสัตว์มีพิษพวกภัยธรรมชาติอาหารนะผักที่มีพิษนะกินแล้วตายรนะวมไปถึงคนที่เป็นคนละเผากับเรานะสมัยที่เรายัางอยู่ป่านะก็ฆ่ากันตายนะเพราะเพียงเพะอยู่คนละเผากันเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวัง เราต้องมีอาศัยตาต้องอาศัยใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นนะรวมทั้งใช้กายเนี่ยเพื่อปกป้องอันตรายนะที่มันจะมาจากภายนอกอันตรายจากภายในก็มีนะซึ่งธรรมชาติก็ให้สิ่งที่คอยปกป้องรักษาใจไม่ให้อันตรายจากภายในเข้ามาคุกคามสิ่งนั้นก็คือสติและปัญญา แต่สมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าภัยจากธรรมชาติหรือภัยจากภายนอกมีมากกว่าเราจึงมีสิ่งที่คอยป้องกันคอยสอดส่องดูแลอันตรายจากภายนอกไม่ให้เข้ามารบ ก, กวนคุกคามเราเนี่ยเรามีถึง5้าอย่างนะมีกลไก5อย่างนะตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อคอยระวังอันตรายจากภายนอกแต่ว่าเรามีแค่กลไกเดียวนะเพื่อป้องปกป้อ ง, อ, งอันตรายจากภายในก็คือสติ อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าธรรมชาติของเราสมัยก่อนเนี่ยภัยมันมาจากข้างนอกมากกว่านะเร็วห้าต่อหนึ่งนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยภัยจากธรรมชาติหรือภัยจากภายนอกมีน้อยลงแล้วนะคนตายเพราะโรคระ บ, บาดคนตายเพราะเสือสิงกระทิ้งแรดหรือว่าสัตว์ ร, ร้ายนะฆ่านี่น้อยหรือตายเพราะภัยธรรมชาติก็น้อยแต่ตายเพราะความเครียดตายเพราะอารมณ์นะ ต่างๆเนี่ยเยอะมาก เ, เขาบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยความเครียดเนี่ยมันเป็นสัตว์อันมันเป็นสาเหตุการตายที่ร้ายแรงที่สุดนะถ้าพูดถึงสาเหตุการตายแล้วเนี่ยคนตายเพราะความเครียดมากกว่าตายเพราะบุหรี่หรือว่าเล่าซะอีกนะนี่แสดงว่านะไอ้เรื่องของจิตใจเนี่ยมันเป็นปัญหาของคนสมัยนี้มาก แล้วเราก็ไม่ค่อยตะนหนักนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ระมัดระวังนะกับการที่จะป้องกันมันเท่าไหร่เราไม่ได้ใช้สติให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มทีนะ่ในการที่จะปกป้องรักษาใจแต่ว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้สติให้ดีพัฒนามันให้ดีนะมันไม่เพียงแต่จะปกปักรักษาใจของเราไม่ให้เกลียดไม่ให้โกรธไม่ให้เครียดไม่ให้วิตกกังวลแล้วเนี่ยมันยังสามารถทาให้เรานะมีความสุข นะแล้วเป็นสุกชนิดล้นสุกเหนือสุกเลยก็ได้พรนะพุทธเจ้าเคยตรัสว่าโจรกับโจร น, นะทาร้ายกันเนี่ยก็ไม่ก่อความเสียหายมากเท่ากับจิตที่วางไว้ผิดนะลองนึกภาพมาโจรเนี่ยนะมันเกลียดกันมันโกรธกันเนี่ยนะพอมาเจอกันเนี่ยหรือแมก้กระทั่งคนที่จองเวรกันพอมาเจอกันเนี่ยโอ้ลังแคลนกันหน่าดูเลยแต่ก็ไม่ก่อความเสียหายมากเท่ากับ จิตที่วางไว้ผิดในทางตรงข้ามเนี่ยพ่อแม่เนี่ยทำอะไรให้กับเราไม่ว่าประเสริฐแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่มีไม่มีทางประเสริฐเท่ากับจิตที่วางไว้ถูกหรือจิตที่ฝึกฝนไว้ถูกแล้วจิตที่ฝึกฝนไว้ถูกก็คือจิตที่นะมีสติมีปัญญาทั้งวันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยทุกข์เพราะอารมณ์ต่างๆมากๆเดียวซึ่งถ้าเราดูให้ดีนะมันมันก็ล้นเราแต่เกิดจากความติดยึดนะความโกรธ ก, ก็ดีความเกลียก็ดีนะความเศร้าก็ดีเนี่ย ถ้าเราสาไปถึงจุดสาเหตุจริงๆนะก็เกิดจากความยึดติดยึดติดในสิ่งที่ผ่านไปแล้วเก็บเอามาคิดนะเก็บเอามาเป็นอารมณ์นะทำให้จิตใจเศร้าโศกนะทำให้โกรธเคืองนะหรือว่าทำให้เกิดความอาลัยอาวร์ให้การคุ้นคิดถึงความความสูญเสียความผิดพลาดมันไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความ โศกเท่านั้นนะแต่ว่ามันอาจจะทําให้เกิดอาการซึมเศร้าเลยก็ได้เดี๋ยวนี้โรคซึมเศร้าก็เป็นโรคใหญนะ่เป็นปัญหาใหญ่ของคนซึมเศร้านี่เกิดกับคนทุกเพศทุกวัยแล้วเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวนี้มันมีความเครียดนะความเครียดเพราะความหวาดกลัวก็ได้เดี๋ยวนี้มันเพร า, ามันมีความเครียดชนิดหนึ่งนะอ่าเขาเรียกว่า post trauma อ่า stress disorder นะแปลว่าอะไรความเครียดที่เกิดจากความเจ็บปวดอาจจะคนที่ผ่านสงครามคนที่ผ่านเหตุการณ์ก่อการร้ายคนที่ผ่านไอเหตุการณ์ภัยธรรมชาติหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้เจอนะด้วยตัวเองนะแต่ว่ามีโอกาสจะเจอนะไม่ได้เจอเองเลยนะแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันมีโอกาสจะเจอเนี่ยนะ เครียดมากๆเนี่ยก็เป็นโรคนี้มากขึ้นแล้วก็ทําให้ชีวิตเนี่ยนะมันย่ําแย่ไปเลยนะไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนอันนี้มันก็เป็นนะเป็นเพราะว่าใจที่ะปรุงแต่งนะยึดติดอย่างเียไม่พอเอามาปรุงแต่งต่อด้วยเอาเรื่องราวเนดีดีความเจ็บปวดเนีดีมาแบกเอาไว้แล้วก็ปรุงแต่งต่อหรือว่าไปยึดติดอยู่กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าสร้างภาพเอาไว้นะ ว่าเป็นเรื่องเลวร้ายเรื่องหนี้สินเรื่องอแม้แต่การเป็นแม้แต่การตกงานเศรษฐกิจที่ย่ำแยก่การเมืองที่วุ่นวายยังไม่เกิดก็จริงนะแต่พอคิดไปแล้วเนี่ยมันก็เครียดนะวิตกนอนไม่หลับคนเราทุกพราะเห็นนี้ก็เยอะนะหรือวยึดติดในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่อดีตหรืออนาคตนะนที่เรายึดติดเนี่ย ปัจจุบันนะอ า, ารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเราก็ยึดติดเหมือนกันนะอย่างเชตัวอย่างเช่นเกิดมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาในห้องในศาลาเนี่ยบางทีเสียงก็จะไม่ค่อยดังมากหรือบางทีมีเสียงคุยกันข้างล่างใต้ถุนเสียงก็ไม่ค่อยดังมากเท่าไหร่เสียงก็จะเบากว่าเสียงบรรยงองอุตมาสิแต่บางคนเนี่ยพอไม่ชอบเสียงนั้นเนี่ยมันก็ใจก็จะไปเจาะไปจับไปยึดไปติดและยิ่งไปจด ไปจอไปยึดไปติดเนี่ยเสียงก็ยิ่งดังขึ้นดังขึ้นในความรู้สึกก็ยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นนะบางทีก็ปรุงแต่งนะปรุงแต่งสิ่งที่เกิดขึ้นมีมีเคยมีไวรุ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะไปกินข้าวตอนประมาณสักเย็นเย็นก็ยังไม่ถึงกับเย็นในช่วงแดดร่มลมตกนะร้านที่กินเนี่ยมันก็เป็นอ่ เป็นคล้ายๆระเบียเป็นคล้ายๆว่าเป็นที่โล่งที่ยื่นออกมาจากหลังคาเนี่ยกำลังกินอยู่ดีๆนะมันก็มีนกเนี่ยนะมันบินผ่านมาแล้วมันก็ขี้นะตกลงมาบนหัวของอวัยรุ่นคนหนึ่งในนั้นซึ่งก็พอดีกับที่เมียเจ้าของร้านเดินผ่านมาพอดีไอ้หนุ่มคนนั้นเนี่ยมันก็นึกว่า เมียเจ้าของร้านเนี่ยถุยน้ำลายใส่มันนะก็เลยวอยวายใส่เมียเจ้าของร้านนะเจ้าของร้านเนี่ยซึ่งเป็นสามีของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ไม่พอใจพอเถียงกันหนักๆเนี่ยก็เลยเอามีดโตเนี่ยนะขู่แล้วก็ไล่ไวัยรุ่นนะกลุ่มนั้นออกไปเพราะท่าทางมันจะทะเลาะกันหนักคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วต้องเอามีดนะไล่ ไอ้ไวรุ่นกูนั้นก็ไปนะสักพระ ก, ก็กลับมาพาพวกมาพร้อมกับมีดพร้อมกับปืนแล้วก็ยิงกันนะก็ปรากฏมีคนตายนะสามีคือเจ้าของร้านก็ตายส่วนไอ้ัยรุ่นนี้ก็ตายนะเพราะโดนมีดตายไปสองศพสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะก็คือว่าไ อ, อ้นกเนี่ยมันขี้ตกลงมาใส่หัว ตกลมาบนหัวของวัยรุ่นแต่วัยรุ่นเนี่ยมาไปปรุงแต่งนะว่าเนี่ยเป็นน้ําลายนะที่ถูกทมมาจาก เ, าเมียเจ้าของร้านอันนี้ก็เรียกว่ายึดติดถือมันนะในความคิดปรุงแต่งมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เออเป็นจริงเลยนะแต่พอปรุงแต่งแล้วเราเชื่อในความคิดนั้นเนี่ยก็ทะเลาะ ก, กันนะเสร็จแล้วก็สิ่งที่ต้องสูญเสียไปคือนะชีวิตคนสองคนบางคนจะสูญเสียมากกว่า น, นั้นก็ได้ ถ้่คนเราเนี่ยรู้จักนะเออรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างคือมีสติรู้ทันนะไออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเวลารู้วาใจเราไปจมอยู่กับอดีตเออรู้แล้วก็วางมีสติรู้ทันนะเวลาใจเราไปจมอยู่กับอน า, นาคตสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ปรุงแต่งไปแล้วนะก็รู้ทันแล้วก็วางหรือเวลาใจเราเนี่ยนะมันไปคิดมันไปนึกในเรื่องแต่ก็ตามนะรู้แล้วก็วางซะมันก็ไม่เกิดปัญหา รวมถึงเรื่องของอารมณ์ที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยความโกรธความเกลียดความเศร้าความคิดที่มันยึดติดถือมั่นมันรุแล้วแต่ทําให้ทุกข์ความโกรธเนี่ยถ้าเราไม่ยึดติดถือมั่นมันนะเพียงแค่รู้ทันมันนะมันก็ไม่มีโทษนะความโศกความเศร้าก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นแล้วเรารู้ทันมันบางทีมันสามารถจะเป็นครูสอนเรานะหรือว่ามันสามารถจะเป็นตัวกระตุ้นนะให้เราเนี่ยคอยระมัดระวังจิตใจของตัวก็ได้ ความกลัวนี่ถ้าใช้มันเป็นนะมันก็ดีเหมือนกันนะช่วยทําให้เราไม่ประมาทช่วยทําให้เราเราเราระมัดระวังมากขึ้นคนเราถ้าไม่กลัวเลยนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะแต่ปัญหาคือว่าแทนที่เราจะใช้มันเนี่ยเรากลับเผลอนะปล่อยให้มันใช้เราปล่อยให้มันคลองจิีคลองใจแล้วสั่งให้เราทําในสิ่งที่เป็นทั่วกับเราเองด้วยแล้วเป็นอันตรายต่อคนอื่นด้วยงั้นถ้าเราเห็นตอนหนักถึงปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะไอการที่พยายามที่จะเจริญสติ นะให้ไวนะต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นนะสติเนี่ยนะมันช่วยทำให้เรารู้ทันแล้วเมื่อรู้ทันแล้วเนี่ยมันจะละมันจะวางนะรู้บางอย่างเนี่ยมันทำให้เรายะติดนะเช่นการเรียนรู้ทางโลกเนี่ยคนที่มีความรู้มากบางทียึดติดถือมั่นมากเกิดอีโก้เกิดอัตตามากหรือว่าเกิดความหลงในความรู้ความคิดของตัวนะบางทีก็ทะเลาะ ก, กันนะเพียงเพราะทฤษฎีต่างกันนะหรือว่ารู้ ข้อมูลกันคนละทางก็ทะเลาะ ก, กันได้รูปแบบนี้มันทาให้ยึดติดนะแต่ถ้ารู้ทันอารมณ์เนี่ยมันรู้แล้วมันทาให้ละและจะรู้ได้ก็เพราะการมีสติน ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราอยากจะรักษาใจของเราให้เป็นปกติอยากจะรักษาชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นอิสระนะปล่อยพ้นจากภัยอันตรายที่มันจะครอบงำจิตใจเนี่ยก็ต้องพยายามหารักษาสติ สร้างสติขึ้นมาเพื่อจะช่วยปกป้องรักษาใจของเราให้ได้คาเดีวเพื่อนเท่านี้นะครับพระ